พี่น้องมาเยอะหลวงพ่อเป็นห่วงแต่เรื่องอาหารแต่คิดว่าเคยรับมาแล้วหลายครั้งคงไม่มีปัญหาเพราะได้วางระบบไว้แล้วเรื่องวัตถุดิบหลวงพ่อไม่ต้องห่วงแต่ว่าห่วงแต่คนผู้ทำเท่านั้นนะผู้ที่ทําก็ให้ช่ว ย, วยกันพี่น้องชาวบ้านลูกหลาน ทราบว่าให้นะักรมีอะไรก็โรงเรียนน่ยโรงเรียนก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนักเรียนใหญ่นักเรียนดวงทองนักเรียนน้ําโสมเขาก็ประวรณาไว้อยู่แต่ช่วงนี้คือชาวบ้านก็เป็นช่วงที่ปักดำํำลงนาก็รู้สึกว่าชาวบ้านเนี่ยเขต้องเรื่องดำทำนา เ, นเป็นเรื่องที่ เขาจะขาดไม่ได้เพราะว่าถามว่าขาดวันขาดเดือนไปแล้วการปักดำก็รู้สึกว่าจะล่าช้าก็ททำให้เขาเสียหายเพราะนั้นเรื่องชาวนาหน้านี้น่หลวงข้อเองอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเวลาหน้าปักดำหลวงตาจะห้ามพระใช้ขนเด็ดขาด ท่านบอกว่าเราเป็นลูกชาวนาเรารู้จักดีพราะการทำนานมันขนาดไหนเกี่ยวข้าวหนึ่งดํานาหนึ่งอย่าไปใช้เขานะพระนะอย่าไปใช้เขาเวลาเขาดํานานะอันนี้คือหลวงตาท่านสั่งพระสมัยเมื่อหลวงพ่ออยู่กับองค์หลวงตาที่วัดป่าป้านตาดท่านให้ความสําคัญในการปักดําและการเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะยางยิ่งเก็บเกี่ยวมากกว่า ให้ความสำคัญมากกว่าปักดาเพราะเกยบเกี่ยวเนี่ยถ้าเสียไปวันหนึ่งทำให้ข้าวของเขาเสียหายมากทําทำให้ข้าวมันโจนมันเกี่ยวไม่ทันมันล้มเสียหายถ้าไปใช้ชาวบ้านสองสามวันเสียหายเขามากอย่าไปใช้เขานะน่าเก็บเกี่ยวอันนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ ชาวนาเขากําลังปักดําแต่เราก็มีทางออกต่างเยอะแยะไปหัวหน้าส่วนราชการก็มีตารวจทหารพี่น้องชาวบ้านครูโรงเรียนนักเรียนเราขอร้องไม่มีปัญหาหรอกข้อสําคัญให้พวกเราเจ้าของบ้านให้รู้จักขอร้องทํามันหนักหนาขึ้กร้องขอพวกที่อยู่ใกล้มาช่วยหน้าพวกในครัว แต่วัตถุดิบหลวงพ่อไม่ห่วงห่วงแต่ผู้ที่มาทำเท่านั้นแหะแต่ตินยังไกงก็ให้ดูให้ทั่วถึงให้ดูให้ทั่วถึงแบ่งจัดให้ทั่วถึงผู้ที่มาเกี่ยวข้องเพราะเรื่องอาหารเป็นเรื่องที่จำเป็นสำคัญพวกเราอยู่ไกลไกลตลาดเพราะนั้นวัดก็ต้องเป็น ต้องเป็นหลักครต้องเป็นหลักในหลักทำความสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัพเพสัตตาอาหารฤทธิกาสัพพสัตทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารคือ ท, ทุกคนต้องเป็นอยู่ด้วยอาหารแต่ท่านก็ย้ําอีกนะย้ําอีกว่านาเหตูปิกระยะปาปัง ไม่ควรทําบาปเพราะเห็นแก่กินพระพุทธเจ้าท่านก็นสอนเองถึงจะเป็นอาหารที่สำคัญก็จริงอยู่สรรพสัตทางหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารก็จริงอยู่แต่ก็อย่าไปทําบาปเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องจนเกินไปพระพุทธเจ้าท่านก็นย้ำสอนเพราะอาหารเป็นเพียงปัจจัยเครื่องอาศัยเพื่ อ, อยังชีพให้เป็นไปเป็นวันวัน ทานอาหารอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าอาหารติดอาหารดีตลอดไม่ใช่ทานอะไรก็ได้คือเพียงจะทาดขันให้อยู่ได้เป็นไปอย่าไปมากมากอย่าไปโลภโลเลในอาหารจนเกินไปอันนี้หลักของพุทธศาสนาท่านสอนพระนะแต่ฆราวาสญาติโยมนำเอาไปใช้ก็ไม่น่าจะผิดเพราะว่าถ้าเราเป็นฆราวาส ญาติโยมถ้ากินอาหารมีแต่สองของดีดสั่งของดีดมาทานกระทำให้กระเป๋าแฟบเหมือนกันนะไม่รู้จักประมาณในการบริโภคค่ะเราในฐานะหนึ่งเราไปกินอาหารจนเกินฐานะของตนเองกระทำให้ครอบครัวการบริหารจัดการกับตนเองรู้สิกว่าเสียหายได้เพราะไม่รู้จักประมาณในการบริโภค สิลนี้หลักของหลักในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านท่านสอนไว้หมดนะและก็วันนี้เป็นวันที่ทุนกระหม่อมจะเสด็จที่วัดของเราเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จพวกเรานะพ่อเป็นผู้โชคดีท้องถิน่นอยู่จุดท้ายปลายแดนอยู่ห่างไกลาจากความเจริญแต่พระองค์ท่านก็ยังเสด็จ มาที่วัดของเราอันนี้เป็นรัชดรทั้งหลายเป็นผู้โชคดีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันพระศาสนาเนี่เป็นคู่กับกษัตริย์เป็นคู่กับชาติบ้านเมืองพวกเราคิดดูประเทศอินเดียซิเมื่อพระเจ้าแผ่นดินประเทศอินเดียยุค สมัยหนึ่ง เ, เ, ปเปลี่ยนแปลงไปนับถือศาสนาอื่นพระพุทธศาสนาก็หมดจากประเทศอินเดียทั้งที่ประเทศอินเดียเป็นบ่อกเกิดพระพุทธศาสนาแต่เมื่อพระเจ้าเป็นดินเป็นผู้ใส่ใจในพระพุทธศาสนาอย่างพระญาธรรมโสกราชเป็นยุคที่พระพุทธศาสนา มาถึง300ปีพระพุทธเจ้าปรินิพาน300ปีพญาธรรมโสกราชเกิดขึ้นจากนั้นพระองค์ก็ได้พัฒนาประเทศท่าชาติพเรเะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพวกเราที่ไปเห็นประเทศอินเดียส า, สาสาวัตถุหรือวัตถุที่ก่อสร้างต่างๆในประเทศอินเดียถ้าพวกเราเห็นหลักเสาหิน ที่เป็นสิงหรยกว่าสตูปสันจีอย่างนี้ก็คือยกที่พญยาธรรมโศกพระยาโสเป็นผู้สร้างขึ้นมาเมื่อพระพุทธเจ้าพรินิพนานไปแล้ว335อส้าปีพระยาธรรมโศกเกิดขึ้นแล้วก็สร้างดาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาแปด0 0ี่พัน เท่ากับพระธรรม8ปด0 0ื่นสี่พันพระธรรมคันพระยาธรรมโ ส, สกสร้างแปดหมื่นสี่พันอย่างในประเทศของพระองค์จากนั้นกระต่างคนต่างสร้างเศรษฐีก็สร้างใหญ่พวกชาวบ้านก็สร้างเล็กกระสุดแท้แต่ใครจะมีกำลังพอเสร็จแล้วก็ฉลองพร้อมกันฉลองพระเจดีย์พระธาตุพระพุทธปฏิมา อะไรลักษณะอย่างนั้นอะฉลองพร้อมกัน 84%,00 มชิ้นอันนึ้คือพญาธรรมโกจากนั้นกม็มาก็มีพูดทำลายคือพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาไปนับถือาศาสนาอื่นก็ททำให้พระพุทธศาสนาหมดจากประเทศไทยทีนี้ประเทศไทยของเราที่พระพุทธศาสนาเป็นพึกแผ่นในยุคปัจจุบันที่พวกเราได้นับถือ ครูบาอาจารย์พระสงฆ์นี่ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างสงฆ์หลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นอย่างนี้ดึกหลวงตาดึครูบาอาจารย์ที่พวกเรารักกรบนับถือหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน้นถ้าจะไร่เรียงไปแล้วก็มากที่ครูบาอาจารย์เหล่านี้มีขึ้นมาได้เพราะอะไรกรเพาะพระมหากษัตริย์เพราะเมืองไทยเรานับถือพระพุทธ ศา ส, สนาเนี่ยคือพอระมหากษัตริย์เป็นหลักอย่างประเทศพม่าเขาก็มีอยู่แต่ว่าถ้าเข้าไปอยู่ส่วนลึกแล้วเขานับถือแต่ราษฎรเขานับถือแต่พระสงฆ์ที่เป็นหลักน่ยรู้สึกว่าฟิตัยของเขาอ่อนแอมากผู้หญิงเดินข้ามถนนระบบเตือนเกาะแขนพระไปพระเนี่ยเขาเข้าไปดูโลงหนังโลงละครอะไรได้ ลักษณะอย่างนั้นคล้ายๆกับว่าวินัยของพระสงฆ์ในประเทศพม่าเนี่ยอ่อนแต่ประเทศไทยของเราเนี่พระสงฆ์อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยถึงจะอยู่หลักขนาดไหนเทอะก็จริงอยู่แต่กิเลส ข, ของพระสงฆ์บางกลุ่มก็ทําให้เสียหายก็มีอยู่แต่ก็เป็นส่วนมากที่ดังดำรงทรงศาสนาไว้รักษาพระวินัย ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ถ้าจะเปรียบเทียบกับออในหลายหลายประเทศในที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังยังแคลงคลาดในหลักพระธรรมวินัยกว่าพระในถิ่นของเราเพราะเหตุไรก็เพราะวา่าพระในถิ่นของเราไม่มีเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินเป็นเป็นผู้นําแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยเห็นไหม ปี 2,500 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงสระละราชออกมาบวชเป็นตัวอย่างของพระสงนิกรเป็นตัวอย่างของคนทั้งหลายขนาดพระเจ้าแผ่นดินยังออกมาบวชพวกเราเป็นใครเพราะฉนั้นเมื่อใครออกมาบวชก็ไม่เคอะเขินไม่อายเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุอะไรเพราะพระเจ้าแผ่นดินพาบวชเป็นศักเป็นสีอีกต่างหากนี่แหละ การมีพ่อมีพระเจ้าเป็นดินเป็นหลักให้กับประเทศชาติพวกเราทินได้นับถือครูบาอาจารย์นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกวันนี้ประเทศไทยที่เข้มแข็งเรื่องพระพุทธศาสนาอยู่ทุกวันนี้กระเพาะบุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์เป็นผู้คุ้มครองถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วความเป็นมาของพุทธศาสนา ดูๆแล้วมันต้องมีประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพุทธศาสนาเป็นมาอย่างไรแล้วจะเป็นไปอย่างไรตั้งว่าไม่มีทุกอย่างไม่มีประวัติศาสตร์ไม่ได้นะหลวงพ่อเคยพูดว่าพระพุทธศาสนายึดประวัติศาสตร์เป็นหลักเป็นเรื่องใหญ่เลยทำไมหลวงพ่อจะพูดอย่างนั้นเพราะว่าเวลาเราจะตั้งนโมเราจะไหว้พระ เราจะรับศีลเราจะถวายทานหรือเราจะสวดพระปฏิโมกข์หรือเราจะทําอะไรก็ตามเราต้องวานโมซะก่อนพอปนมมือขึ้นมาวัานโมนาโมตัสสะภควาโตอรหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามครั้งว่านโมสามจบโมสามจบแปลว่าอะไรแปลว่าข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตะสาัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์ไหนคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นาศาสดาเป็นต้นพุทธศาสนาเป็นผู้ประ ก, กาศพระพุทธศาสนาองค์นั้นองค์นั้นละ่ะองค์ที่ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นองค์แรกคือพระพุทธเจ้าโคตมะสากยะสิท ธ, ธัตถะทำไมก่อนถ้าเป็นสิท ธ, ธัตถะออกบวช ได้ตัดสรู้ที่โครนต้นโพเมื่อ 2,555 ปีให้หลัง56ปีให้หลังนี่แหละองค์นั้นแหละที่ลกเรากล่าวเรากา่อโนมนอโนอบถึงทำไมเราจึงนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นต้นความคิดเป็นแนวความคิดที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอยู่ที่โครนต้นโพในวันนั้น ท่านในตัดจรูธรมปุเพในวาสานุญญจติยานจุตูปปาต ย, ยานอาสาวัคยยะานอันนี้พวกเราคงฟังแล้วก็คงจะไม่เข้าใจว่าเป็นภาษาบาลีปุเพในวาสานุจติยานพระองค์นั่งภาวนาจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งละลึกชาติผลหลังได้พระองค์บอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนะเพราะว่าเราเนี่เกิดมามีรูปกี่พบกี่ชาติ ชาติของเรายาวเหยียดเลยแหมเหมือนกับเราร ะ, ะลึกถึงเมื่อวานวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนลักษณะอย่างนั้นอ่ะอันนี้พระพุทธองค์นึกตูตะข้ามชาติไปอีกชาติที่แล้วคืออะไรชาติก่อนคืออะไรเนี่ยนะปุเพนิวาสานุสติญาณจากนั้นพระองค์ก็ระลึกดูคนอื่นเด็กทีเนี่มองพระองค์เสร็จแล้วก็มองคนอื่นเด็กผู้อยู่ใกล้มองสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้ววาจุปะปะปะตะูปปาตาญาณ การเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายทำไมคนนี้จะมาเกิดเป็นที่นี่ออกจากที่นี่แล้วจะไปไหนแต่คนเราเกิดมาทำไมไม่เหมือนกันคนหนึ่งตาบอดคนหนึ่งหูหนวกคนหนึ่งบ้าใบคนหนึ่งฉลาดคนหนึ่ ง, งโง่คนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนอวัยว ะ, วะก็ไม่เหมือนกันอีกต่างหากทำไมคนจึงไม่เหมือนกันพระพุทธองค์มองดูอีกกต้นเหตุแห่งความไม่เสมอกันนะเพราะอะไรพอมองเข้าไปอีกโอกรรม กรรมคือการกระทาการกระทำกรรมของคนไม่เหมือนกันกายกรรมคือการกระทาทางกายวิญญกรรมคือการพูดออกมาทางวาจามโนกรรมคือความคิดทางด้านจิตใจมันไม่เหมือนกันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นกรรมจึงจำแนกให้สัตว์ออกมาเป็นคนละอย่าง ก, กันคนไหนทำกรรมดีคนนั้นก็จะได้รับผลดีคนไหนทากรรมชั่วคนนั้นก็จะได้รับความชั่ว อย่างพโมกขาลาท่านทําทั้งกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีของท่านก็ทําทจนได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ท่านได้เป็นอัครสาวกข้างซ้ายพระพุทธเจ้าอีกแต่บั้นปลายชีวิตของท่านถูกฆ่าถูกฆ่าตายทําไมพระพุทธองค์บวกกรรมคือการกระทําทไอ้ส่วนที่ดีท่านก็ทําท ำ, ทำดีมาตลอดก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นอัครสาวก แต่ว่าทํากรรมชั่วของท่านท่านเคยฆ่าพอ่อฆ่าแม่ในชาติหนึ่งเออเมื่อท่านฆ่าพอ่อฆ่าแม่กรรมตัวนั้นละ่ะกรรมที่การกระทําของท่านมาพบนิชาตินี้กรรมที่ฆ่าพ่อแม่มาตามสนองท่านก็เลยถูกฆ่านี่แหละพระพุทธเจ้าท่านมองท่านมองเห็นคนอื่นสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านว่าอย่าทำท่านยังพูดว่าอากตังดุกตังเสยโยปัชาตตปฏิดุกตัง กรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำไปแล้วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลติดตามเมื่อภายหลังเหมือนกับเราไปป่นไปขาาไปคดไปโกงเขเสร็จแล้วเนะเราคิดว่าจะจบเพียงแค่นั้นไม่ใช่นะและอีกสักวันมือกฎหมายเขามาถึงตำรวจเขามาถึงเขานั้นเราก็เขากดจับเราเข้าคุกเข้าตารางได้ไ ง, งา่ายๆเพราะเหตุไรเพราะเราทำสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้เพราะฉะนั้นกรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่า เมื่อทำไปแล้วกรรมชั่วนะั้นจะติดตามให้ผลเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะจับต้องได้เห็นได้มองเห็นได้กรรมคือการกระทำํำยาทําในสิ่งที่มันไม่ดีฮถ้าทําในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วกรรมชั่วนะั้นจะตามให้ผลตัวเองเมื่อภายหลังตัวเองจะเดือดร้อนนี่แหละอันนี้คือธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเพราะนั้น สิ่งเหล่านี้ในพวกเราเป็นชาวพุทธพุทธมาม ก, กะพุทธบริษัทต้องคิดดูให้ดีวะ่ะเพราะเหตุนั่นเองเราจรึงเรียนอบน้อมพระพุทธเจ้าดีวะนะโมตัสสะพระขาววโตุอรหตัตตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมในวันนั้นทัดก็ประกาศพระธรรมพระธรรมคือคําสอน พวกท่านทั้งหลายอย่าทํากรรมอย่างนั้นนะเอ่ยคำว่ากรรมคือการกระทําอย่าทำกรรมอย่างนั้นนะพวกท่านทั้งหลายอย่าฆ่าสัตว์นะอย่าฆ่าคู่ฆ่าคนนะเอ่ยอย่าฆ่าคนดีนะเอ่ยอย่าฆ่าสัตว์นะอย่าขโมยของคนอื่นเขานะให้อยู่ในกฎระเบียบอย่าตะลาะว่าล่วงสามีภรรยาคนอื่นเขานะให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะให้เคารพปฏิปไตยซึ่งกันและกันนะ ยาโกหกนะย่าดื่มสุรานะอันนี้คือสินห้าเราจะไอ้เนี่ะคือกรรมเป็นบอกเกิดแห่งความชั่วถ้าเราไปฆ่าคนอื่นเขาเขาปอดอนนะเดือดร้อนถ้าเขามากฆ่าเราล่ะเราก็เสียใจไปขโมยคนอื่นเขานะไปลาหลาบลาลวงสามีภรรยาคนอื่นเขาไปโกหกคนอื่นเขาดื่มสุราขาดสติทำความชั่วอย่าทำนะอันนี้เราคือกรรมชั่ว ถ้าทำกรรมชั่วถลับทำกรรมชั่วทั้งห้าข้อนี้แล้วกรรมชั่วจะให้ผลเมื่อภายหลังเพราะพระพุทธเจ้าก็สอนี่เพราะฉะนั้นเราก่อนที่เราจะไหวพระรับศินเราจึงนอบน้อมต้นตระกูลหรือว่าต้นความคิดก่อนนะโมตัสสะเงข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตส์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นก็พุทธัทงสัทนานคฉาหมิทธรรมังสังขังสัทนานคชาหมิ ข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าก็คือต้นศาสดาอย่างที่ว่าพระธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็คือพระสงฆ์สาวกนําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าไม่มีพระสงฆ์นําพระธรรมคําสอนออกมาพระธรรมคําสอนก็คงจะหมดในยุคสมัยนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าประกาศธรรมแล้วก็จบ ถ้าไม่มีพระสงฆ์นําพระธรรมคําสั่งสอนออกมาประกาศเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นทั้งสามรัตนคือพระพุทธเจ้าคนดีพระธรรมคนดีพระสงฆ์คนดีเป็นผู้มีบุญคุณอย่างมากสําหรับพวกเราเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งว่าเป็นผู้มีบุญคุณสําหรับเราที่เด่นนำทำคําสอนออกมาให้พวกเราได้นํามาประพฤติปฏิบัติ ในเมื่อเรานํามาประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นแต่ความสงบสงบร้มเย็นเป็นถุกทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นเราจึงนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์อันนี้นั่นคือพุทธศาสนาเป็นมาด้วยอย่างถึงประวัติศาสตร์ใครๆอย่างถึงต้ น, า ศ, าตนาศาสนาต้นศาสนาทุกครั้งเพราะนั้นเมืองไทยของเราเนี่ยเป็นมาอย่างไรอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดถึงเหมือนกันว่า เมืองไทยของเราที่อยู่ยงคงกระพันมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่เป็นขี้ข้าของประเทศอื่นเขาอย่างประเทศรอบด้านรอบประเทศของเราเห็นไหมเป็นเมืองขึ้นของฝรัง่งเกือบทั้งหมดไม่ใช่ว่าเกือบทั้งหมดทั้งหมดยังเหลือประเทศไทยของเรายัางเป็นเป็นเอกราชเพราะอะไรถ้าเราศึกษาในประวัติศาสตร์แล้ว เราก็จะรู้ได้ว่าเออเพราะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของเราเป็นผู้มีปีชาสามารถรัศการที่ห้าท่านปกป้องประเทศชาติของท่านให้รอดตลอดรอดฝังมาได้ถ้าไม่อย่างนั้นพวกเราคงจะเป็นเมืองขึ้นเขาแล้วมันเสียหายที่ตรงไหนที่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมีแต่เครื่องเชิดชูบูชาที่ทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราร่มเย็นเป็นสุขมีแต่วความเจริญเกิดเราไม่แพ้เขาเลยในประเทศรอบด้านของเรา หรือเราแพ้ขเขมรใช่ไหมแพ้ลาวใช่ไหมการปกครองของเราแพ้เวียดนามใช่ไหมแพ้อินโดใช่ไหมมาเลใช่ไหมพมา่าใช่ไหมประเทศไทยยังเป็นพระเอกเป็นผู้นําในชุมชนของพวกเราตามไม่จริงพวกเราน่าจะภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มันเสียหายทุกวันก็เพราะพวกเราทะเลาะเบาแวงกันเท่านั้นเองถ้าทําความเห็นให้ถูกต้องแล้วหลวงพ่อว่ามีแต่ความเจริญ ถ้าพวกเราคิดให้ดีแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเคยพูดเหมือนกันนะพวกเราได้รับการศึกษาที่ดีส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศเสียเงินปีหนึ่งปีละเท่าไหร่ปีละหลายหมื่นหลายแสนล้านไม่มีใครคำนวณว่าส่งลูกไปเรียนหนังสือเงินในประเทศไทยส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือในต่างประเทศล้วนเลี้ยงล้วนแล้วแต่เรียนเรียนชงสูงทั้งนั้น ฝ่ายบริหารธุรกิจฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารฝ่ายพิพากษาอ า, า, า, า, า, า, ายการกฎหมายบ้านเมืองมีเะเลียนสูงสูงทั้งนั้นปริญญาตูตีตรีโทเอกทั้งนั้นดยมากเอกทั้งนั้นกลับมาบริหารประเทศทําไมไม่นําความรู้ความสามารถที่เราได้ศึกษามานั้นมาพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญรุง่งเรืองทาไมจึงเอาความรู้เหล่านั้นหันมาแล้วก็มาทะเลาะกัน ห้ามห่านกันมันไม่ถูกต้องนะหลวงพ่อว่าสรุปแล้วก็คือมีแต่ความรู้ขาดคุณธรรมสรุปได้อย่างนั้นนะไม่มีฮิริไม่มีอดตะปะในจิตใจมีแต่ความรู้ความรู้นี่ยใครก็เก่งเนี่วาฒนะนี่ใครก็เก่ ง, ง, กกงแต่คุณธรรมในจิตใจขาดขาดคุณธรรมในจิตใจจุดนี้แหละขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆกท่านถึงใครจะขาดคุณธรรมก็เถอะนะ แต่ตัวของเราอยากขาดคุณธรรมคุณธรรมคืออะไรศีลธรรมจริยธรรมเจริยธรรมคือความประพฤติอย่าเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราไปว่าให้เขาไปรังแก่ไปเบียดเบียนเขามันไม่ถูกนะจุดนั่นถ้าเขาทำไม่ถูกจริงๆเราก็เอากฎหมายเมาพูดกันก็ต้องยอมรับกฎหมายอันนี้ก็คือเจริยธรรมในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าวิชา จรณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูณ์ในทำคําสอนของพระพุทธเจ้าวิชาคือความรู้จารณะคือความประพฤติถ้าว่าพวกเรามีแต่ความรู้ขาดความประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีแล้วยังไม่พอวิชาเป็นที่ยอมรับของคนว่าคนนี้มีความรู้ดีแต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับของคนดีของเทวดาถ้าใครก็ตามมีจารณะด้วย ชาจรณะสัมปันโนเป็นที่ยอมรับของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสรุปแล้วก็คือวิชาเป็นที่ยอมรับของคนแต่ไม่เป็นที่ยอมรับของเทวดาคือคนดีคนดียังยอมรับไม่ได้แต่ถ้าว่าผู้ใดมีวิชาด้วยมีจรณะคือความประพฤติดีด้วยเป็นที่ยอมรับของคนดีทั้งหลายเออคนนี้เป็นคนดี เมื่อมีเขามีเขามีความรู้แล้วก็เขาก็ปฏิบัติตนเป็นคนดีด้วยไม่รังแกไม่เบียดเบียนคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่นมีน้ำจิตน้ำใจเพือพ่อเอื้อเฟื้อเอืออารีต่อชุมชนสังคมอันนี้เป็นคนดีเป็นที่ยอมรับของคนดีนะแต่มีแต่ความรู้อย่างเดียวคนนี้โอ้คนนี้เขารู้กฎหมายเก่งนะแต่พอรู้กฎหมายเท่านะั้นเอากฎหมายเท่านะั้นไปเบียดไปบางไปคดไปโกงไป ลังแกคนอื่นเขาเพราะเห่ไหรเพราะไม่เพราะขาดจริยธรรมขาดจริยธรรมในใจเอากฎหมายของตัวเองเนี่ยไปรังแกไปเบียดเบียนไปคดไปโกงไปทํำที่ไม่ถูกต้องเพราะเห่ไหรเพราะตัวเองผู้กฎหมายกว่าเขาเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบเขาเพราะเห่ไหรเพราะว่าขาดจริยธรรมแต่ถ้าคนมีจริยธรรมในใจต้องคิดอืถึงเขาจะไม่รู้ก็าตามกฎหมายข้อนี้เออ แต่เราเรารู้ว่ามันมันไม่ถูกแต่เรารู้กฎหมายเราเอาเปรียบเขาถ้าเราไม่รู้นะอย่างเขาเนี่ยถ้าเขามาเอาเปรียบเรานะเราจะเสียใจไหมไอันนี้แหะคือจริยธรรมใครๆบอกเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันทําไม่ลงเลยเพราะอะไรเพราะคนมีจริยธรรมที่ดีมีคุณธรรมในจิตใจเพราะนั้นคุณธรรมกับจริยธรรมหรือว่าวิชา คือความรู้กับจรณะนี่ต้องไปด้วยกันประเทศชาติปันเมืองจะจะร่มเย็นเป็นจุกแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่ซ้อมฝึกสอนให้มีแต่ความรู้อย่างเดียวถ้าขาดจริยธรรมคุณธรรมในจิตใจแล้วจะเดือดร้อนพูดได้อย่างนั้นอันนี้เลยคือทำคำสอนของพระพุทธศาสนาให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็นาไปกันกลองไตรตองดูซิว่าทำคาสอนของพระพุทธศาสนานี่ ท่านสอนอย่างไร เ, เพราะว่าทำคําสอนของพุทธศาสนานท่านให้ใช้ปัญญานะเนี่ยไม่ใชใ่ไม่ใช่ว่าเอพระหลวงพ่อพูดยังไงให้เชื่อตามนะักไม่ใช่อย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าท่านว่าดูก่อนสารีบุตรที่เราตถาคตพูดไปนี่ท่านเชื่อไหมพระษาเรียบว่าอย่างก่อนพระเจ้าค่ะเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติ จนกว่ า, าพระองค์นําไปปฏิบัติดูแล้วจึงจะกราบทูนเมื่อภายหลังพระเจ้าค่ะ่ยอันนี้ก็คือพระพุทธองค์ท่านไม่ให้เชื่อทีเดียวเมื่อพูดให้ฟังแล้วก็พวกเราต้องนําไปคิดว่าที่ได้ยินมาเนี่มันตรงไหนมันผิดวะมันถูกไหมเนีจากนั้นการกลองไตกรองรดูด้วยเหตุและผลเออใช่ถูกต้องอา้าวยอมรับนะต้องปฏิบัติตามเมื่อเหตุผลมาลงกันแล้วมีเหตุมีผล ในการที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยใช่ถูกต้องเจ้าพ้าเจ้าแผ่นดินต้องมีพระคุณประเทศชาติบ้านเมืองอระพุทธศาสนาก่อนที่จะมาได้ต้องมีประวัติศาสต์อย่างนี้พวกเขาต้องมีศีลธรรมมีแต่ความรู้อย่างเดียวถกัดจะได้ทำใช่ไม่ได้ะสิ่งเหล่านี้พวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกันกลองด้วยเหตุและผลแล้วก็ ยอมรับพระทำคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ยอมรับทำคําสอนของหลวงพ่อนะหลวงพ่อแนะนำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวอีกทีหนึ่งนี่แหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้ า, ำำาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอศุสาตายาดโยมลูกหลานฟังดูสิมันถูกต้องไหมถ้าถูกต้องได้นําไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยพวกเราจะได้รับความสงบร้มเย็นเป็นสุขเอาวันนี้ให้แนวความคิดจบไว้เพียงเท่านี้ก่อน ตอนนี้ไปคณะสงฆ์เจ้าธงโมธนาให้พร